เรื่องความในใจของแสงดาวโดยแสงดาวธีระวะรัญญูเนื่องจากเจ้าของบทความเป็นสุภาพสตรีนะครับดังนั้นจึงขออนุญาตเปลี่ยนสรร พ, พนามจากดิชันเป็นข้าพระเจ้าเพื่อความเหมาะสมในการอ่านนะครับ ข้าพเจ้าเคยเป็นหนึ่งในผู้คนส่วนใหญ่ที่ใช้เวลาในชีวิตกับเรื่องทางโลกจนถูกกิเลสครอบงมจิตใจไปหมดยิ่งเรื่องของศีลธรรมก็ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลเหลือเกินแม้ศีลห้าข้อข้าพเจ้าเองยังรักษาไม่ครบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิ่งต้องยกให้เป็นมือสังหารเลยทีเดียวทั้งยุงมดปลวกจนช่วงหลา ย, ลายปีหลังเวรกรรมก็ตามทันเริ่มเจ็บป่วยตลอดเวลา จำได้ว่าในแต่ละปีต้องนับเฉพาะวันที่ไม่ต้องรับประทานยาซึ่งมีเพียงไม่กี่วันหลังจากมีครอบครัวและใช้ชีวิตครอบครัวสามีข้าพเจ้าซึ่งน่าจะมีสายทานของบุญมากกว่าได้แนะนำให้อ่านหนังสือธรรมะสวดมนต์หัดภาวนาทุกครั้งที่อาการป่วยกำเริบมากๆแต่ก็อย่างที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้กิเลสยังเต็มหัวใจถ้าไม่เจ็บปวดจนทนไม่ได้ ข้าพเจ้าก็ไม่เคยภาวนาพุโทโธเพราะข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจว่าธรรมะจะช่วยอะไรในชีวิตเราได้เวนกรรมที่เคยทําไว้ก็เหมือนจะตามราวีไม่มีที่สิ้นสุดสามีก็พยายามให้หัดฟังเทปธรรมะบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างผ่าไปไหว้พระกราบครูบาอาจารย์ตามวัดต่างๆบ้างอย่างไม่ลดละและชวนข้าพเจ้าไปกราบองค์หลวงตา ม, มหาบัวที่สวนแสงธรรมซึ่งเราทั้งคู่ยังไม่เคยได้กราบหลวงตาเลย มาครั้งแรกก็ยังไม่ได้พบเจ้าหน้าที่บอกให้คอยติดตามข่าวสารอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลวงตาจะลงมาพำนักที่สวนแสงธรรมจบจนบ่ายวันหนึ่งของต้นเดือนกรกฎาคม2547้า่เข้าพเจ้าและสามีก็เดินทางไปที่สวนแสงธรรมที่นั่นเงียบมากมีคนอยู่ประมาณสามคนและได้พบป้าคนหนึ่งที่มีบุญคุณต่อครอบครัวข้าพเจ้า เธอกำลังให้เสร็จอาหารกับสุ น, นักอยู่คุณป้าที่พบเธอชื่อคุณป้าต้อยคุณป้าบอกว่าองค์หลวงตาได้ขึ้นกุติไปแล้วถ้าจะมากราบท่านให้มาช่วงเย็นๆซึ่งจะได้กราบท่านและฟังเทศด้วยข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังตามกิเลสทางโลกแต่ในใจอธิษฐานว่าอยากจะพบหลวงตาเหลือเกินถ้าข้าพเจ้าพอมีบุญกุศลอยู่บ้างขอให้ท่านเมตตาให้พบด้วยเถอ ข้าพเจ้าและสามีเดินชมบอร์ดโครงการช่วยชาติบริเวณศาลาเก่าไม่ถึงหนาทีมีพระอายุมากรูปหนึ่งเดินกลางร่มสีดำเข้ามาในศาลาท่านหยุดยืนอยู่ห่างๆองค์ท่านลดร่มลงมองมาที่ข้าพเจ้าและสามีด้วยความเมตตาจริงๆข้าพเจ้าก้มลงกราบในใจรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกและเป็นบุญที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าและสามีไม่ทราบว่าความปลื้มปิติมาจากไหน พระเจ้าคิดตรงนั้นเลยว่าหลวงตาเจ้าคะถ้าลูกต้องตายตรงเนี้ยลูกก็ไม่เสียใจที่ได้เกิดมาแล้วดีใจมากๆที่ได้พบองค์ท่านจริงๆเป็นครั้งแรกของชีวิตได้ยินแต่ชื่อเสียงหลวงตาที่ได้คำจุนชาติไทยไม่เคยพบพระรูปใดสามารถรวบรวมเงินทองเข้าคลังหลวงได้มากมายที่สำคัญคือทาให้คนไทยมีความสามัคคี ได้ช่วยกันสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อคําจุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้การ น, นำขององค์พระหลวงตาจากวันนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าและสามีรวมทั้งลูกสาววัยห้าขวบก็ตั้งใจแน่วแน่ ว, ว่าจะไปฟังเทศและใส่บาตตอนเช้าทุกวันพยายามจะไม่ให้ขาดเพราะสามีและข้าพเจ้าคิดในใจว่าเราพบแล้วหลวงตาองค์นี้ไม่ใช่พระธรรมดาแน่ ค่ำคืนนั้นข้าพเจ้าได้ฟังเทศสดสดของหลวงตามีผู้คนมากมายเต็มกุฏิกลางน้ำทุกคนนั่งด้วยอาการสงบมีช่วงหนึ่งหลวงตาเทศว่าเกิดมาเป็นคนอย่าให้ใจทิ้งเปล่าๆต้องหัดภาวนาพุทโธเพราะการเกิดเป็นคนนั้นแสนยากบุญเราก็ต้องทำอย่าตรนีทีเหนียวอย่าใจแคบตีตันเรื่องเสียสละจาคะให้ทาบุญทาทานกันมากๆ ข้าพเจ้าก็คิดขึ้นในใจขณะที่หลวงตากําลังเทศว่าหลวงตาให้หนูบริจาคมากๆแต่หนูมีกําลังไม่มากแถมยังมีลูกด้วยจะให้ทำอย่างไรสายตาขององค์ท่านมองมาตรงที่ข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้านั่งอยู่แถวสองใกล้กๆกับหลวงตาหลวงตาก็เทศขึ้นทันทีว่าหลวงตาหมายความว่าใครที่มีลูกก็แบ่งไว้ให้ลูกส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเราก็ทําบุญบ้างเพราะบุญที่เราทําเราได้เอง ไม่ทำก็ไม่ได้ข้าพเจ้าสะดุ้งเลยหัวใจเต้นตุบตับสติมาอยู่กับอารมณ์ที่ตื่นเต้นทันทีรู้สึกว่าเย็นว่าไปทั้งตัวคิดในใจท่านตอบคําถามในใจของข้าพเจ้าได้อย่างไรข้าพเจ้าแค่คิดเฉยๆเท่านั้นคงไม่ใช่เรื่องบางเอิญนแน่ๆทุกคืนที่มาฟังเทศลูกสาวข้าพเจ้าชอบเผลอหลับในช่วงที่หลวงตากาลังเทศอยู่ ถ้าพระเจ้ากับสามีก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะดูไม่เหมาะสมข้าพเจ้ามององค์หลวงตาท่านแล้วคิดในใจว่าหลวงตาเจ้าคะดิฉันอยากให้ลูกสาวมาฟังเทศด้วยแต่ลูกสาวมาหลับแบบเนี้ยคนเดียวบนกุฏิหลวงตาจะว่าไหมคะพอคิดจบเท่านั้นหลวงตาท่านมองมาแล้วก็เทศทันทีว่าเด็กมันก็มีกินกับนอนแล้วก็เล่นเด็กมันก็คือเด็กจะไปถืออะไรกับเด็กๆแต่ขอให้ได้มาวัดเถอะ แล้วท่านก็เล่านิทานเรื่องอนาถาบินทิกะเศรษฐีจ้างลูกไปเข้าวัดข้าพเจ้าหัวใจพองโตตื่นเต้นมากรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวข้าพเจ้าคิดถามท่านอยู่ในใจหลวงตาก็เมตตาคอยตอบคําถามที่ยังค้างคาในใจให้ข้าพเจ้าทันทีสาธุข้าพเจ้ายังกระซิบกับสามีเลยว่าข้าพเจ้าคิดจริงๆท่านตอบแล้วองค์ท่านสอนว่าถ้ามีกิเลสเพื่อธรรมะให้มีได้เลย สามีข้าพเจ้าก็เคยพบเหตุการณ์คล้ายๆนี้เช่นกันขณะที่องค์หลวงตาเล่าเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลสามีข้าพเจ้าก็คิดในใจว่าหลวงตาครับเมตตาสอนเรื่องการเริ่มภาวนาให้ผมด้วยหลวงตาก็เทศสอนทันทีว่าสําหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกหัดควรเริ่มภาวนาอย่างไรสามีข้าพเจ้าจึงรู้สึกเหมือนกันกับข้าพเจ้าในบางวันก่อนที่จะขึ้นกุฏิฟังเทศ เราสองคนคุยกันเรื่องธรรมะที่ยังติดค้างอยู่พอถึงเวลาขึ้นฟังหลวงตาเทศองค์ท่านก็ตอบปัญหาที่ข้าพเจ้าและสามีพูดคุยกันก่อนอ น, นั้นทันทีสาธุนี่คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนหลวงตาเมตตาต่อครอบครัวเราทั้งสองมากข้าพเจ้าและสามีได้ประสบการณ์และความเมตตาจากหลวงตาที่น่าจดจำจนวันตายวันนี้หรือวันไหน เรายังคงบอกเล่าให้คนที่ได้ปฏิบัติและคนเข้ามาวัดใหม่ๆฟังอยู่อย่างต่อเนื่องลูกสาวของข้าพเจ้าได้รับความเมตตาจากหลวงตาท่านมีกุสโลบายที่ดีเวลาไปถวายปัจใจลูกสาวจะได้รับขนมทุกๆเช้าและไปแบ่งปันเพื่อนและครูที่โรงเรียนทุกวันเธอชอบใส่บาตรเธอจะมาใส่บาตรรับพรจากพระทุกเช้าแม้แต่วันที่เธอต้องสอบ เธอมีจิตใจที่ดีมีเมตตาและพูดถึงหลวงตาเสมอเธออยากให้หลวงตาลงมากรุงเทพเร็วๆ เ, เพื่อเธอจะได้ไปใส่บาตอีกหลวงตาสอในให้คาราวะาอย่างเราเรารักษาศีลห้าให้จริงจังมันทำบุญให้ทานฝึกหัดภาวนาวันหนึ่งอย่างน้อยห้านาทีท่านเปรียบว่าเหมือนการปลูกต้นไม้ไม่ใช่วันเดียวโตฝึกหัดระงับกิเลส ถ้าพยายามทำอย่างจริงจังย่อมเกิดผลครอบครัวเราพยายามรักษาศีลห้าข้าพเจ้าเองก็หมั่นระลึกถึงคำสอนขององค์ท่านทุกวันปัจจุบันอาการเจ็บป่วยทุกๆวันของข้าพเจ้าหายไปเป็นปลิดทิ้งจิตใจชุ่มเย็นลดความอาฆาตพยาบาทมีความยับยัง้งชั่งใจในความโกรธได้เร็วขึ้นมีความเมตตามากขึ้นให้อภัยคนได้ง่ายขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หลวงตาเทศให้ฟังว่าปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้มีสประการคือ 1. อิทธิปาฏิหาริย์หรือเหาะเหินได้ 2. องอธิษาปาฏิหาริย์หรือถ่ายใจถ่ายความนึกคิดได้ 3. อนุศาสนีปาฏิหาริย์คำสอนอันเป็นอัศจรรย์ข้าพเจ้าสัมผัสแล้วว่าหลวงตาท่านถ่ายความนึกคิดในใจได้ดังปรากฏกับครอบครัวข้าพเจ้า ซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหาที่เปรียบมิได้ข้าพเจ้าจะขอทําความดีเดินตามคําสอนของหลวงตาให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ท, ทั้งปวงให้กิเลสเบาบางลงเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นลมหายใจท้ายที่สุดขอขอบพระคุณพี่อ้อยพี่สมจิตครอบครัวที่ทําบุญทําทานมากที่ให้โอกาสบันทึกเรื่องราวที่ได้สัมผัสมาส่วนหนึ่งอาจจะเกิดประโยชน์ต่อละหลายท่านที่มีกิเลสในหัวใจ ให้รีบแก้ไขที่จิตใจตัวเองก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้แก้ไขการภาวนาการรักษาศีลห้าสำคัญอย่างมากไม่เช่นนั้นหลวงตาคงไม่ย้าแล้วย้าอีกหากเรารักษาได้กรรมไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นภพภูมิก็จะหดสั้นลงขอให้ทากันอย่ารอจนอายุมากแล้วค่อยทาเดี๋ยวจะไม่ทันการเพราะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเราก็ควรปฏิบัติตนให้สมกับเป็นลูกศิษย์หลวงตา ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าได้แก้ไขแล้วลงชื่อแสงดาวธีรกวรัญยูสิงหอ่านโดยโจโชโ